อขอให้ทุกคนทุกท่านท่งเจริญสติสร้างความรู้สึกระรู้สำปะท้องลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้โตเนื่องพวกเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังแต่ยังเริ่มเสียนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายอันนี้เป็นการยำ้ำเป็นการเตือน พวกท่านจงพยายามพากันไปทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสร้างสติแล้วก็รู้จักเอาสติไปใช้ไปอบรมใจของเราเอาไปสำรวจไปทำความเข้าใจ <c oughs> จนใจคลายออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามตรงนี้แหละคนส่วนมากเข้าไม่ถึงกันเพราะว่ากำลังสติไม่น้อย ส่วนมากก็มีแต่นึกเอาคิดเอาทั้งที่ใจเป็นบุญเราให้ตั้งสติสร้างความรู้สึกตัวอันนี้จึงจะเป็นการเจริญภาวนาถ้าตั้งใจนีจ้ใจเริ่มเกิดในหลักธรรมท่านให้สร้างสติแล้วก็สร้างให้โตเนื่อง เรียกว่าสัมปชัญญะแล้วก็อบลมใจตัวเราแก้ไขใจตัวเราจนใจของเราคลายออกจากคันห้าซึ่งเรียกว่าคลายความหลงเรียกว่าแยกรูปแยกนามสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกก็จะเปิดทางส่วนมากเราก็เห็นถูกในระดับพงสมมุติในการทำบุญในการให้ทานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ระดับสมมุติ แต่ระดับวีมดคือตัวใจยังไม่ได้คลายจากขันห้าเราจงพยายามหัดสังเกตบ่อยๆทำความเข้าใจบ่อยๆถ้ากำลังสติปัญญาของเราเข้มแข็งขึ้นสักวันหนึ่งเราก็คงจะเห็นใจของเราคลายออกจากขันห้าความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิก็จะเปิดทางให้ ความรู้ตัวของเราก็ตามเห็นการเกิดการดับป้องขันห้าว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือว่าเป็นกลางๆอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งทั้งพระทั้งยมทั้งชีเป็นเรื่องของเราไม่ใช่ว่าเรื่องของคนอื่นอะไรควรทำก่อนอะไรควรทาหลังอันนี้สมบุญระดับสมมติระดับบิมุติ คำว่าสมมุติเป็นอย่างไรวิมุติเป็นอย่างไรวิมุตเนี่ก็คือใจที่คลายจากขันห้าแยกโรคแยกนามแล้วก็ละ ก, กิเลสออกให้มันหมดกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็รู้จักดำขยันมันเพี้ยนทําความเข้าใจนี่อยู่ตลอดเวลาต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียนเป็นเลิศ <c oughs> อบรมใจของเราใจของเรามีความตะนนีแล้วก็ละความตนันนีเน่วแน่นใจของเราเกิดความโลภเกิดความพยายานอยากเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับรู้จักให้รู้จั ก, จ ก, จกเอาออกอบรมใจของเราให้อยู่ในความอ่อนน้อมท่อมตนให้มีความสัจจะให้มีสัจจะ ความื่อสัตว์ต่อตัวเราความื่อสัตว์ต่อคนอื่นทุกเรื่องในชีวิตตั้งแต่ความคิดความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไรความคิดอารมณ์ต่างๆภาระหน้าที่การงานเขาเรียกว่าอยู่กับสมมุติเขารบสมมตุติไม่ยึดติดสมมตุติทำความเข้าใจวิญญาณในกายของเราทำความเข้าใจกับโลกธรรมในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกีย่ยว เรารู้จักวิธีการรู้จักแนวทางเราก็เร่งทําความเพียรกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกจากกิเลสวิเวกจากความนึกคิดปรุงแต่งของขันห้าเนี่ยเขาเรียกว่าใจวิเวกกายวิเวกนี่คือวางภาระหน้าที่การงานทางโลกทางสมมุติไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดเขาเรียกว่ากายวิเวก ถ้าเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเราก็ใช้สติปัญญาให้ใจรับรู้ถ้าใจอคติเพ่งโทษเราก็รู้จักดับทุกเรื่องเลยการได้อ่านการได้ศึกษาการได้รเรียนตรงนี้มีกันหมดทุกคนสนามรบปิแทจริงก็อยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเราขอให้เรารู้จักว่าอันนี้ลักษณะของสติเป็นอย่างนี้สติรู้ตัวที่ต่อเนื่องเป็นอย่างนี้ สติรู้ตัวที่ต่อเนื่องก็เรียกว่าสัมปชัญญะทุกคนก็มีสติปัญญากันแต่อยู่ในระดับของสมมุติยังไม่ได้ขุดลากถอนโคนของกิเลสของความเกิดของวิญญาณในกายของเราเราพยายามกิเลสก็มีหลายอย่างกิเลสหยาบกิเลสละเอียด จิเรดเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจถทวานทั้งหทำหน้าที่อย่างไรอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านให้มีความสมัครสมานสมัคคีมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาค่อยพิจารณาอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนินอย่าเอาทิฏฐิมาณเข้าห้ามกันดูจากสํารวมทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็สํารวมใจก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิด ก่อนที่จะทําความเข้าใจเราต้องรู้จักใจของตัวเราก็ต้องพยายามกันวันนี้หลวงพ่อก็จะได้ขออนุญาตไปลงไปปกักธงชัยสักอาทิตย์หนึง่งจะได้ไปดูเรื่องของต้นไม้ด้วยแล้วก็ไปดูเรื่องเครื่องจักรที่จะมาตัดหินสร้างเจดีย์ฝั่งาทางปักธงชัยก็พยายามคนอยู่พระเหาชีเราที่อยู่มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พระเราช่วยกันไปเอาเชือกมาดึงตน้นไทรที่มันล้มที่มันจะโค่นอยู่ตรงทางเขา้าแม่คนอิ่มดึงให้ตึงดึงให้ตึงแล้วก็เอาดินกบดินอะไรไว้ให้มันตั้งต้นเหมือนเดิมดึงช่วยกันดึงหลายๆคนเพราะว่าก็ต้นไม่ใหญ่เท่าไรหร่ช่วยกันเอาเชือกไปมัดแล้วก็ดึงกลับขึ้นมา ช่วยกันดึงเลยหลายคนก็สำเร็จส่วนสุพ์ก็ช่วยดูเครื่องทำน้ำตกที่ตลาดฝ้ายยกให้ด้วยเห็นว่ามันตกไม่ตกมันเสียตั้งแต่ได้สองวันสามวันช่วยกันดูให้น้อย ตรงพ่อก็คงจะไปปกักธงชัยก็ประมาณสักหนึ่งสักอาทิตย์วันที่7็ที่8ปที่7ก็กลับมาจะได้ไปดูวางหลักฐานทางโน้นเอาไว้ให้ได้สารโตอะไรควรดำเนินอะไรควรทาอะไรเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้ช่วยกันทวนกิเลสภายในเราก็พยายามละพยายามขัด กล่าเอาออกอย่าไปโทษคนโน่นอย่าไปโทษคนนี้จงทวดตัวเราแก้ไขตัวเรายิ่งมาอยู่ร่วมกันหลายคนหลายท่านยิ่งเพิ่มความสมัครสมานสามัคม ค, คีเพิ่มพรมีหารแก้ไขใจของเราอยู่ในพรมีหารอยู่ในความเบตตามีอะไรก็ช่วยกันเราอันนี้ก็จเจริญธรรมเป็นเท่านี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐา์ต่อทาความเข้าใจกันเดานะ